3. โวหารวัตหมวดว่าด้วยการใช้โวหารภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์424ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบไดยองค์เท่าไรหนอแลไม่ควรพูดในสงฆ์พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได้องค์าไม่ควรพูดในสงฆ์องค์าคือ 1. ไม่รู้อาบัติ 2. ไม่รู้สมุดฐานอาบัติ 3. ไม่รู้ประโยคอาบัติ 4. ไม่รู้ความระงับอาบัติ 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค้านี้แล ไม่ควรพูดในสงฆ์กษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีพิกษุผู้ประกอบได้องค์5ควรพูดในสงฆ์องค์5คือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้สมุดฐานอาบัติ 3. รู้ประโยคอาบัติ 4. รู้ความระงับอาบัติ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลควรพูดในสงฆ์ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์หคือ 1. ไม่รู้อธิกร 2. ไม่รู้สมุดฐานอาธิกร สมไม่รู้ประโยคน์อธิกรณ์สไม่รู้ความระงับอธิกรณ์หไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้า ควรพูดในสงฆ์องค์5คือ 1. รู้อธิกร 2. รู้สมุดฐานอธิกร 3. รู้ประโยคอธิกร 4. รู้ความระงับอธิกร 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แลควรพูดในสงฆ์ ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือ 1. กล่าวข่มขู่ 2. กล่าวไม่ให้โอกาสผู้อื่น 3. ไม่โจทย์ตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 4. ไม่ปรับตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ไม่ชี้แจงตามความเห็นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องหานี้แหลไม่ควรพูดในสงภิกษุควรพูดในสงอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องห้ควรพูดในสง องห้าคือ 1. ไม่กล่าวคมคู่สกล่าวให้โอกาสผู้อื่น 3. ามโจดตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 4. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ชี้แจงตามความเห็นอุบาลี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 และอาบัตไม่ชั่วอยาก 5. รู้อาบัตที่ทำคืนได้และทำคืนไม่ได้อุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพูดในสงพุทธสูตไม่ควรพูดในสงอีกในหนึ่งอุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสง องห้าคือ 1. ไม่รู้กรรม 2. ไม่รู้การทํากรรมสามไม่รู้วัตถุของกรรม 4. ไม่รู้วัดของกรรม 5. ไม่รู้ความระงับกรรมอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหานี้แลไม่ควรพูดในสง์ ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องค์าควรพูดในสงฆ์องห้าคือ 1. รู้กรรม 2. รู้การทํากรรมสามรู้วัตถุของกรรมสรู้วัดของกรรม 5. รู้ความระงับกรรมอุบาลี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 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์หคือ 1. นึ่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลํลำเอียงเพราะชัง 3. ลํลำเอียงเพราะหลง 4. ลํลำเอียงเพราะกลัว 5. เป็นอลัลชีอูบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรพูดในสงฆ์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 5. ไม่ฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสงฆ์องค์หคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4。ไม่ลําเอียงเพราะกลัว 5. ฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพูดในสงฆ์ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์หคือ 1. ไม่รู้ย ต, ติ 2. ไม่รู้การทำยติ 3. ไม่รู้อนุสาวนาแห่งยติ 4. ไม่รู้สมถะแห่งยติ 5. ไม่รู้ความระงับแห่งยติอุบาลรีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลรีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรพูดในสงฆ์ องห้าคือ 1. รู้ยติ 2. รู้การทำยติ 3. รู้อนุสาวนาแห่งยติ 4. รู้สมถะแห่งยติ 5. รู้ความระงับแห่งยติอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหานี้แลควรพูดในสง์ภิกษุไม่ควรพูดในสงอีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสงฆ์องค์ห้าคือ 1. ไม่รู้พระสูตรสไม่รู้ข้ออนุโลมพระสูตรสไม่รู้พระวินยัย 4. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระวิไน 5. ไม่ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสงฆ์องค์5คือ 1. รู้พระสูตรสอรู้ข้ออนุโลมพระสูตรสารู้พระวิไนัย 4. รู้ข้ออนุโลมพระวิไน 5. ฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลควรพูดในสง์ภิกษุไม่ควรพูดในสง์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างไม่ควรพูดในสง์องค์หคือ 1. ไม่รู้พระธรรม 2. ไม่รู้ข้ออนุโลมพระธรรม 3. ไม่รู้พระวินัย4ไม่รู้ข้ออนุโลมพระวินัยหไม่ฉลาดในคําต้นและคําหลังอุบาลีภิกษสุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลไม่ควรพูดในสงพิทธสุควรพูดในสงอุบาลีภิกษสุผู้ประกอบด้วยองค์หควรพูดในสง องคือ 1. รู้พระธรรม 2. รู้ข้ออนุโลมพระธรรม 3. รู้พระวินัย 4. รู้ข้ออนุโลมพระวินัย 5. ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหานี้แลควรพูดในสงฆ์โวหารวักที่สจบ หัวข้อประจำวรกพิษุไม่รู้อาบัติไม่รู้อธิกรณ์กล่าวข่มขู่ไม่ควรพูดในสงฆ์ภิกษุรู้อาบัติกรรมวัตถุควรพูดในสงฆ์ภิกษุเป็นอลรชีไม่ฉลาดในยติไม่รู้พระสูตรไม่รู้พระธรรมไม่ควรพูดในสงฆ์จัดเป็นวักที่สามแล